พูดถึงพระดีรูปนึงครับที่วัดเชิงเลนหรือว่ามีชื่อเป็นทาง 2402 บวช ในปกครองของท่านเจ้าอธิการปานท่านอุปสมบทหลวงปู่เอี่ยมวัดลัดดาน หลวงปู่เอี่ยมได้ให้ขึ้นทุรดงเพื่ออ่าทุรดงควัตรเพื่อออกเดินฟังบอกว่า 15 ปีเพื่อแสวงหาวิเวกแล้วก็ออกแสวงหาพระ ในป่าลึกที่จังหวัดกาญจนบุรีระหว่างอ่าก็ตอนนั้นพอพลบค่ําจะมีสัตว์ ความเมตตาสูงมากปีที่ 16 ก็มีญาติโยมนิมนต์ให้มาจำพรรษาที่วัดฉันจำพรรษาอยู่ได้ไม่กี่ปีฉันก็เห็นว่ามีแต่ ก็เห็นว่าวัดเชิงเลนเป็นวัดที่เงียบสงบเห็นว่าวัดเชิงเรนเป็นวัดที่เงียบสงบไม่วุ่นวายห่างไกลจากความเจริญ ก็พากันมาปี 2470 ท่านจะออกจากวัดเชิงเลนไปทุดงอีกเลยรวบรวมบริขารทุรดงจะออกจากวัดเชิงเรนไปทุรดงอีกญาติ คุณหญิงเจียนน่ะมีลูกชายทนอยู่คนนึง เสร็จแล้ววันนึงก็ตัดสินใจเล่าเรื่องลูกชายเป็นบ้าให้หลวงปู่ พอลูกทุนได้ก็คลานมากราบหลวงปู่เออหมดกรรมเด้อทีนะมึงมารดน้ํามนต์ ชาตินี้ลูกชายคุณหญิงทํากรรมไว้มากฉันช่วยได้แค่ทําให้เครื่องไม่อารวะทํา ลูกศิษย์ก็ถามเหตุผลหลวงปู่ก็เล่าว่าผู้ชายปฏิเสธแกก็เลยไปหา เพื่อจะนําเงินไปทําการค้าหลวงปู่เห็นศรัทธากลับเอาคน มาขนไม้กลับทําไมเท่าแก่บุญกิจไม่ใช่จาหลวงพ่อช่วยไม้นี่อั้วยืมเข้ามาก็เออทําแม่งก็ต้องแทงเองเอา หลวงปู่ไข่ก็พูดกับเฒ่าแก่บุญเกียรติบอกว่าโยมเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยสัจจะเนี่ยสําคัญที่สุด เฒ่าแก่บุญกิจทําการค้าอะไรก็วายปวงจริงๆวินาศหมดที่ๆจนในที่สุดแกก็ถึงแก่ความตายข้างถนนเป็น วันหนึ่งหลวงปู่ไข่กําลังเดินจงกรมอยู่ในลานวัดก็มี เอาไปรักษาก็ใช่ก็ทั้งตัวเองยังเมาแอ่นหน้าแอ่นยังไม่รอดยังจะมารักษานี่ๆแต่ป่วนไม่เข้าเรื่องเห็นมันอย่างไรดึงปืนมาจับเอวจ้องมาทางของภูไข่ <vin> ไอ้ขี้เมานี่เนี่ยไกปืนโดยๆเสียงแชะแชะก็โยนปืนลงกับปืนตรงหน้าหลวง พระผู้ชายคนนี้ออกไปพ้นเขตวัดจะไปข้ามปกติสมัยนั้นรถน้อยวิ่งมาชนจนเมานี่สลบมึนฟันหักหมดปากเลยนอนโรงอยู่หลายวันได้กลับบ้านได้หลังจากนั้นก็มากราบที่กุฏิก็โรงพยาบาลก็ ถ้าฉันหลบไม่ทันอยู่หงายหลังเอาหัวไปกระแทก วัดเชียงเลนหรือ